ตั้งใจทำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นการส่งใจไปที่อื่นไม่เป็นทางที่จะให้รู้แจ้งในธรรมของจริงที่พระเถรเจ้าทรงแสดงไว้ได้ เพราทำของจริงมันมีอยู่ที่ใจเมื่อใจละกิเลสออกไปหมดแล้วก็พบทำของจริงอยู่ที่ใจเท่านั้นเองที่ทรงสอนให้พิจารณาให้กวงขวางออกไปนั้น ก็เพื่อให้มันสิ้นสงสัยในโลกสนิวาตอันนี้ว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นสารแม้ว่าเขาจะประดับประดาตกแต่งให้สวยสดงดงามตับการตาสักเท่าไรก็ตามมันก็เป็นไปได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้น ทันแล้วมันก็แตกดับทำลายไปแหนึกทบทวนดูก็ไม่ต้องไปไกลเท่าไรก็ได้ทบทวนดูแต่ครั้ ง, งพระพุทธเจ้าตามประวัติก็ว่าพวกที่มาเกิดร่วมวกับพระพุทธเจ้าในสมัยนั้น คนมีบุญก็ามากมายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีปราสาทเป็นที่อยู่อาศัยสมัยนั้นนิยมเพียงเจ็ดชั้นฮันเมธนันนหมดอายุสังขารไปแล้วทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็สูญหายไปหมด อาคารบ้านเรือนก็พังลงกองอยู่พื้นดินนลยเช่นอย่างบ้านอนาาบินดีก็ดีบ้านนางวิสาขาก็ดีก็เหลือแต่ดินเท่านั้นเนี่ยปรากฏอยู่เพราะว่า อ, อิดปูนอะไรนั้นมันกลายเป็นดินไปหมด มันก็กลองกันอยู่เหมือนกับจอมปลวกนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างจิงเชอว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วดับไปสมกับทีพระศาษษษสดาทรงแสดงไว้จริงๆดังนั้นนะบุคคลยึงไม่ควรประมาทควรพากันพิจรารณา ทบทวนดูให้มันเห็นความไม่เที่ยงของโลกสงสารอันนี้ตั้งแต่นั้นมาจนถึงบัด น, นี้คนเที่ยวเกิดเที่ยวตายกันมาไม่รู้ว่ากี่ชั่วคนมาแล้ว คนที่เกิดก่อนก็ตายก่อนเกิดคนที่หลังก็ตายทีหลังบางทีเกิดก่อนตายทีหลังก็มีคนเกิดทีหลังตายก่อนก็มีมันสุดแล้วตั้งแต่บุญวัสนาของใครของเราสร้างมาให้มีบุญมากก็อายุยืนยาวนานไป ให้มีบุญน้อยก็ตายไว้ก็มีอย่างนี้แหละร่างกายสังขารที่มนุษย์เราหวงแหนกันหลงไหลกันนักหนาเมื่อพิจารณาดูให้ถึงความจริงแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ควรจะหวงแหนเลย เพราะว่ามันมีเกิดแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเท่านั้นเวลามันยังไม่แตกดับมันก็แปรปรวนไปอยู่อย่างเนี้ยร่างกายสังขารนี่เราก็รู้กันอยู่ทุกคนนะอยู่นานปีนานเดือนไปมันก็ทุดโทรมไป คนส่วนมากก็มนหลงตอนในวัยหนุ่มไว้สาวสำคัญว่าตนจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายง่ายอ้ก็หลงละเลงไปผู้บวชเข้ามาแล้วบวอยู่ไม่ได้ก็พอเหตุตัวมันหลงชีวิตหลงร่างกายนี้เองสำคัญว่ามันจะ มีกำลังแข็งแรงอยู่เรื่อยไปจะไม่สำุดสุดโสมง่ายเหตุนั้นจึงจิตใจหึกเคิมเปลิดเพลินไปในกรรมคุณต่างๆความเข้าใจผิดแท้ที่จริงแล้วก็รูปอันเดียวนี้แหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นมันก็จเจริญ ขึ้นในขณะที่มันเจริญขึ้นนั่นก็มักจะมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับเห็นสามสอกออกสามวา่าก็เคยพูดให้ฟังอยู่แล้วว่าเราต้องแบ่งไวออกเป็นสามไวไวเด็กไวนุมีม่ไวหนึ่ง แว้กลางคนนั้นอีกไว้หนึ่งว้แก่อีกไว้หนึ่งมันมีอยู่สามว้ท่านนี้แหละคนเรานะตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาหาหนุ่มสาวนี่ท่านนี่ว่าว้หนึ่งอันนี้นะว้นี่แหละกำลังแข็งแรงกำลังมัวเมาเพลิดเพลินไอว้กลางคนก็มัวเมาไม่ใช่น้อย เมื่อมีครอบครัวมาแล้วก็ดิ้นรนอยากจะตั้งเนื้อตั้งตัวให้เป็นหลักเป็นแรงดินหาเงินหาทองกันหามรุ่งหามคัมนีเมาส่วนมากไม่ค่อยได้ํำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดจาก พิเรศปาประธรรมพ่อมีแต่มัวเมาคิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองเข้าของคิดถึงแต่ความรักความใคร่อย่างนี้ท่านเรียกว่าปล่อยชีวิตให้เป็นมันเสียมากต่อมากดังนั้น เมื่อถึงวัยแก่ชราเข้ามาร่างกายสุดโทรมไปจิตใจก็อ่อนแอไปตามร่างกายนั้นก็ไม่มีกำลังเลียวแรงที่จะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ซึ่งไม่เหมือนแต่ยังวัยหนุ่มวัยกลางคน อันนั้นทำความดีทา ง, ทางก็ได้ได้ดีมากดังนั้นนะผู้ที่อยู่ใ น, ว, นวัยนุ่มวัยกลางคนเนี่ยควรพากันขยันมันเพียนผู้ครองเรือนก็ต้องขยันมันเพียนสั่งสมทรัพย์ ทั้งสองอย่างให้เกิดขึ้นพร้อมกันไปทรัพย์ภายนอกได้แก่เงินทองเข้าคองทรัพย์ภายในได้แก่บุญกุศลคุณความดีเหล่านี้เนะี่ยควรสะสมพร้อมๆกันไปไม่ควรจะร่างรอว่าให้เท่าแก่ชราชะก่อนแล้วจึงหันหน้าเข้าวัดว่าศาสนา ไม่คนคิดอย่างนั้นเพราะชีวิตในเรารู้ไม่ได้เลยว่ามันจะแตกดับทำลายเมื่อไรเรารู้ไม่ได้ดังนั้นอ่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราทำบุญกุศลความดีไม่อ้างการอ้างเวลาเมื่อมีชีวิตอยู่ เมื่อไรก็มีลมหายใจอยู่เมื่อใรก็ทำความดีไปกำจัดความชั่วออกไปจากจิตใจนี้ให้ได้การสั่งสมบุญกุศลก็คือการขจัดความชั่วหรือว่าบาปธรรมออกไปจากจิตใจนั้นเองแล้วก็เมื่อเมื่อขจัด กิเลสบาปธรรมออกไปแล้วอย่างนี้ใจมันก็อยากทําความดีมันอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกอย่างเช่นบุคคลมาขจัดความโลภความตณีออกจากหัวใจออกไปเร่องนี้มันก็ยินดีในการให้การบริจาคทานอย่างนี้นะนั่นน่ะจึงว่าเมื่อละ บ, บาปแล้ว บ, บําเพ็ญบุญมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันนั่นเอะ ไม่ใช่ว่าบุคคลรักความโลภความตณิแล้วใจนั่นจะอยู่เฉยๆอย่างนี้ไม่ต้องทำอะไรนี่ไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้เพราะว่าบุญของตัวยังไม่เต็มยังไม่บริบูรณ์จาเป็นก็ต้องทำกเกเรตนั้นแหละ แตวามันก็มีมันก็ดีอยู่มันหนุนให้จิตใจทำบุญทำกุศลทำความดีถ้าบุคคลใจละบุญละคุณเสรจแล้วกิเลสมันก็เผาเอาเดือดร้อน เ, ออเช่นผู้เจริญกรรมฐานเมื่อรอยเมื่อเมื่อทอดทุระ ในการเพ่งอสุภะกรรมฐานได้อย่างนี้ราคะตัณหามันก็ครอบงาจิตใจอย่างนี้แหละยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าเรายังระราคะนั้นไม่ขาดเพียงแต่ข่มไว้ด้วยสมาธิเท่านั้นมันก็สงบไปชั่วคราวเท่านั้นเองเพราะว่าสมาธิถอนเท่านั้น มันก็เกิดขึ้นมาอีกอย่าไปนิ่งนอนใจอย่าเพิ่งเข้าใจว่าเราดีแล้วยังไม่ดีดีดีก็เป็นบางส่วนเท่านั้นเองยังไม่ดีโดยสมบูรณ์ให้คิดอย่างนั้นดังนั้นเราจึงต้องพยายามขาจัดสิ่งที่มัน เป็นข้าศึกแก่ความสงบใจออกไปเรื่อยๆอย่าให้ข้าศึกเหล่านั้นมาครอบงาจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะว่ากิเลสนี่มันไม่ได้อยู่ไกลมันอยู่ใกล้นั่นแหละอยู่ในจิตนั่นเองเนี่ย แต่ว่าเมื่อจิตมันฝักไ ฟ, ก ฟ, กฟไปในทางบุญกุศลกิเลสมันก็ลุกขึ้นมาไม่ได้พอจิตฝักไ ฟ, กฟไปทางกิเลสเท่านั้นแหละมันก็มีอิทธิพลได้ดังนั้นพระาศาสดาจึงทรงสอนให้ เป็นผู้ตั้งอยู่ในอพมาท ธ, ธรรมคือความไม่ประมาทเป็นผู้มีสติระลึกถึงทมอันเป็นกุศลอยู่เสมอทำมันเป็นกุศลคือความเสียสละนั่นเองความไม่ยึดความไม่ถือกิเลสตัณหาความชั่วร้ายต่างๆนี่เมื่อม า, มาความว่า นึกถึงธรรมที่เป็นครูสนก็คือนึกถึงใจตัวเองนั่นเองอใจของตนเนี่ยมันเสียสละอยู่ไหมความโลภ อ, อ่ะมันเสียสละหรือไม่ความโกรธมันเสียสละอยู่หรือความหลงอะ่ะนี่มันต้องมาคํานึงถึงจิตใจอันนี้อยู่เสมอเสมอ ถ้ามันสละเป็นบางส่วนบางส่วนก็ยังไม่สละอย่างนี้นะเราก็จะได้รู้เมื่อรู้แล้วก็จะเพียนพยายามสละมันออกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดสิน้นถ้าเราไม่มันคำนึงดูอย่างนั้นนะมันรู้ไม่ได้เลยว่ากิเลสในหัวใจนี่มันหมดไปมากน้อยเพียงใดแล้ว มันยังอยู่เท่าไหร่รู้ไม่ได้เลยคนผู้มีใจมัวหมองใจฟุ้งซ่านลำคาญอยู่อย่างนีนะ้มันจะรู้เรื่องของตัวเองไม่ได้มันเป็นอย่าง้งเพราะฉะนั้นทุกคนให้พึงมองเห็นว่าชีวิตจิตใจอันนี้นะมันมีกิเลสเป็นศัตรู มันทําให้เป็นทุกข์เตืองร้อนไปในสงสารและเป็นทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี่ก็เพราะกิเลสนี้แหละให้คิดถ้ามันเห็นอย่างนี้ไม่มีศัตรูภายนอกไม่ค่อยมีหรอกแต่เราอยู่มาทุกวันนี้นะเนี่ยยังไม่เห็นมีใครจงเกลียดจงชังที่ามาคิดฆ่าคิดแกงอันนี้ไม่มีอ่ะ แต่กิเลสตันหาบาปรธรรมอันบุคคลสั่งสมไว้ในจิตใจนี้มันได้ช่องเมื่อใดมันลุกรานเราเมื่อนั้นให้พากันพิจารณาตื่นตัวคอยระมัดระวังสำรวมจิตใจของตนอยู่เสมอห้ามให้มันคิดไปในทางบาปอกุศล เมื่อห้ามจิตไม่ให้คิดไปทำบาปอากุศลได้อย่างนี้อกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจไม่ได้เพราะมันไม่มีเชื้อจิตไม่ส่งเสริมมันมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นอย่างนั้นเรื่องมานาไอเราจะไปส่งเสริมกิเลสให้เตือนตน พราะเราส่งเสริมกิเลสที่มานานหลายพบหลายชาติแล้วมันมีแต่มาก่อทุกข์ให้ตรณ น, นชาติเกิดมาชาติใดก็ดีมันไม่ได้ก่อความสุขให้เลยไอ้ที่เราจะมีความสุขได้เพีน้อยก็เพราะว่าใจเนี่ยมันน้อมไปทางบุญทางกุศลมันสั่งสมบุญกุศลขึ้นในตน เท่านั้นแหละถึงมีความสุขได้แต่ความทุกข์อันเกิดจากกิเลสตัณณ์สิมันก็มากมายนี่เราต้องคิดต้องพิจารณาดูเพราะฉะนันน้กิเลสนี่นะมันอาศัยบุญกุศลทั้นนะันแหละกำจัดถ้าบุญเรามีกําลังน้อยมันก็กาจัดกิเลสนั้นไม่ได้ กิเลสมีกำลังมากเหนือกว่าอย่างนี้นะมันจะไปกำจัด ก, กันได้ยังไง อ, อ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างกุศลความดีให้มากขึ้นโดยลำดับเมื่อบุญกุศลมีกำลังเหนือกว่ากิเลสบาปธรรมแล้วกิเลสบาปธรรมก็อยู่ไม่ได้ อ, อยู่ไม่ได้ เหมือนอย่างผู้ร้ายกับเจ้าหน้าที่อย่างนี้แหละถ้าเจ้าหน้าที่มีหลายกว่าผู้ร้ายแล้วผู้ร้ายไม่ยอมสู้เลยก็ย่อมหาทางถอยหนีไปอย่างนั้นน่ <c oughs> หรือว่าถึงสู้ก็สู้ตำรวจไม่ได้เพราะตำรวจมีกำลังเหนือกว่าอย่างนี้ อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยให้คิดว่าเราสั่งสมบุญกุศลไว้ก็เพื่อที่จะขะจัดกิเลสปาปธรรมให้มันหมกหมม อ, อยู่ในจิตใจในีินมนานให้หมดไปสิ้นไปให้ตั้งใจลงอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราสั่งสมบุญกุศลเพื่ออย่างอื่นไม่ใช่ เพราะเราจะเอาสิ่งอื่นใดมาลบล้างทีเล ต, ตันหานี่ให้มันหมดไปแ้วมันไม่ได้ไม่มีถ้ามันมีพระศ า, าสดาก็จะทรงแนะนำสั่งสอนให้คนเรียนเอาจำเอานะ่ะเช่นคาถาอาคมต่างๆที่พวกาศาสนาพราหมณ์ขเขาใช้กันอยู่นั่นน เขาใช้กันมามันก็กำจัดกิเลสไม่ได้มีแต่ธรรมะเท่านั้นจะไปจากัดกิเลสได้จะกำจัดกิเลสไปได้ธรรมะอันเป็นฝ่ายกุศลเท่านั้นแหละเช่นเมตตาการุณาอย่างนี้นะมันก็เป็นคุณธรรม ํำจัดเสียซึ่งความโกรธความเมตตาให้พอวางออกไปจากกิจใจลงลที่สูจตัวถ้าบุคคลไม่มีเมตตากรุณาต่อกันและกันแล้วมันย่อมเบียดเบียนกันวันยังค่ำไม่ยอมให้อภัยกันเลยผู้ที่ยอมให้อภัยแก่บุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตนได้ ก็เพราะจิตมันเปลี่ยนไปด้วยเมตตากรุณาไม่ปรารถนายังให้ใครเป็นทุกข์ปรารถนาอยากจะให้เขาเป็นสุขโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นการตอบโต้กันในทางไม่ดีก็เท่ากับไปก่อทุกข์ให้แก่คนอื่นดังนั้นผู้มีเมตตาจิตแล้วจึงไม่ยอมตอบโต้ใครโดยทางที่ชั่วทางไม่ดี เนี่ยพอพอที่จะมองเห็นและได้แล้วไม่ใช่หรือว่าธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่กำจัดกิเลสได้จริงๆี่ยแต่เราต้องทำให้เกิดให้มีนะเพียงแต่จำเอาไปตามตวงสือ่อเฉยมันจะไม่มีกำกลังอะไรมากำจัดกิเลสได้เราต้องเพ่ง ให้เกิดมีขึ้นในดวงจิตจริงๆเช่นเมตตาอนนี้ก็ให้จิตมีความรู้สึกปรารถนาอยากให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขติดต่อกันไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่านานๆถึงนึกหาครั้งหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ต้องให้มีอยู่ตลอดเวลาอันเมตตาธรรมนั่นน่ะมีอยู่ในใจนี่นหะ มีได้ย่างไงอ่ะมีได้โดยการเพ่งเพ่งนึกถึงต้องการความให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันนี่นะเราเพ่งอยู่อย่างนี้แล้วเมตตาธรรมนี่มันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจแบบนี้ไม่ลืมเลือนนะอยู่ไหนไปไหนคุณธรรมเัื่นี้ก็ไปด้วยมันเนี้ย เพราะเหตุนั้นเมื่อมีใครมาล่วงเกินเบียดเบียนตนอย่างนี้ตนก็ไม่เอาโทษไม่เอาเรื่องอะไรไม่ผูกพยาบาทจองเวรอะไรยกโทษให้ไปเลยอภัยให้เลยอย่างนี้นะกรรมเวรนี่มันก็ไม่ตามสนองนีมันก็หมดกันไปนี่อย่างนี้ยกตัวอย่างว่า พระธรรมนะเป็นเครื่องขจัดกิเลสป่าประธรรมออกจากกิจใจของคนได้ริ่งๆไอ้ที่มันเจาะละออกกิเลสออกได้โดยเด็ดขาดยิงๆิก็ได้แก่ภาวนาการภาวนานี่เป็นการพิจารณาละเอียดแล้วอ่อเข้าไปกลัว ข้อปฏิบัติอย่างอื่นคือพยายามเพ่งเข้าไปเฉพาะจิตแล้วกพ็พิจารณาเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันมาอย่างไงอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นทุกข์อย่างนี้นะมันก็พิจารณาได้เมื่อผูกภาวนานะไม่มีความสงสัยลังเล พี่ไา้เห็นว่าตัณหาแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้นะวิจารณาดูแล้วมันก็เห็นตามที่พระศาษษษษสดาทรงแสดงไว้จริงๆเลยเขาบ่าคนเราเมื่อยึดมั่นในความอยากสิ่งใดแล้วมันก็ถ้าไม่ปล่อยไม่วางแล้วมันก็สเสวงหานั่นแหละการสเสวงหาแล้วมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว ท่านได้มากลับ่าเป็นทุกข์เพราะการรักษาดูแลเวลามันจนจะพัดพลาดจากของเรนั้นไปก็เป็นทุกข์ไม่อยากจากไม่อยากพัดพลาดเนี่ยท่านว่าตัณหาเนี่ยมันมันเป็นเหตุให้เป็นทุกข์ในสามการอย่างนี้ให้พากันเข้าใจ มันก็เป็นความจริงที่ไม่จริงอย่างไรนะเมื่อมีสมบัติมากๆมา่อเมีภัยมีโจรขโมยคอยที่จะมาลักหรือมาปล้นเอาอย่างนี้นะขอจะมาจับเจ้าของไปเรียกค่าไทยเะฉะนั้นเจ้าของทรัพย์ก็มีกันมากๆนอนตาไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แล้ว กลัวต่อภัยอย่างที่บ้านนั้นน่ะมันจะมารบ ก, กวนเอา <c oughs> นั่นในพิจรรารนณานดูให้มันเห็นว่าชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยศัตรูคอยจองล้างจองผ่านอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่สร้างที่พึ่งขึ้นในใจว่าให้มั่นคง อย่างนี้นะภัยคือกิเลสตัณหามันก็โคคขามจิตนี่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นอย่างนั้นเราจะไปมองรู้อย่างอื่นเลยมองรู้จิตรวงเดียวนี้แหละมันรู้หมดเลยถ้ารู้จิตนี่แล้วนะเหตุที่เกิดทุกข์ ต, ต่างๆนวนามันรู้หมด เมื่อรู้ว่าอย่างนี้เป็นเหตุที่เกิดทุกข์เรวก็ละมันเมื่อเมื่อละมันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะเหตุนั้นเพราะเหตุนั้นดับไปอย่างนี้แหละั้งแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารส่วนมากไม่คิดที่จะละเหตุแห่งทุกข์นั้นเลยมีแต่ล อ, อยไปตามทุกข์โดยส่วนเดียวทำไปอย่างนั้น ไอ่ผู้ที่มาสดับคําสอนของผู้เสียเจ้าแล้วเท่านั้นแหละมารู้ตัวอินทรีย์แก่กล้าขึ้นเนี่ก็มองเห็นเหตุได้เกิดทุกข์ด้วยปัญญางตัวเองแล้วกับปรารถนาที่จะกําจัดมันออกไปเหตุเหล่า น, นี้นะเ น, นี่เราจึงต้องสร้างคุณสนคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นในใจ เมื่อใจมีกำลังมีกุศลเป็นกำลังแล้วมันอิ่มมันก็ไม่อยากอะไรเลยนั่นแหละบุญกุศลยังว่ามันขจัดตัณหาออกไปมันขจัดอย่างนี้เลยเพราะว่าเมื่อบุญกุศลเกิดขึ้นในใจลงมากเข้าไปแล้วใจเป็นสมาธิอิ่มอยู่อย่างนี้แล้วมันก็ไม่อยากได้อะไระนั่นแหละ ปัญหามันจริงว่ามันมันดับไปก็เพราะเหตุว่าสั่งสมบุญกุศลให้มากๆนั่นเองเนียในเมื่อบุคคลยังไม่มีบุญกุศลเป็นที่พึ่งไม่มีคุณพระรัตนกลายเป็นที่พึ่งแล้วเธอใจมันหิวมันแห้งมันเป็นช่องทางให้กิเลสทันหาเข้ามาครอบงําเอาซะจริงๆ ดังนั้น บ, บคลแม้ถึงจะมีความรู้สูงเท่าไรก็ตามนะมันก็รักกิเลสตัวนี้ไม่ได้ในเมื่อไม่ ม, มาบำเพ็ญทางคิดใจก็กิเลสมันก็เกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรามาทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสมันก็ลุกรานจิตไม่ได้ แต่มันไม่ขาดหรอกแต่มันลุกลายไม่ได้เพราะการทำจิตให้สงบนั่นแหละชื่อว่าการสั่งสมบุญนะมเมื่อบุญเกิดขึ้นในจิตแล้วจิตสงบจิตตั้งมั่นแล้วกีเรก็ครอบครัมไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้เพิ่งพากัน ตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันจะเป็นบ่อเกิดแห่งทุกขแห่งชีวิตของเราทั้งหลายโดยประการต่างๆดังกล่าวมา